หรือเสด็จไปเพื่อประโยชน์โปรดสัตว์ที่ควรตรัสรู้ให้เขาได้รับการตรัสรู้เพราะอินทรีย์ของเขานี้แก่กล้าแล้วการจาริกครั้งที่หนึ่งเพื่อปลูกฝังจารเจริญศรัทธาวิริยสติสมาธิและปัญญาพันถือว่าศรัทธาเป็นต้นเขายังอ่อนอยู่เมื่อศรัทธาเขายังอ่อนพระองค์เสด็จไปตอนแรกก็แสดงธรรมให้เขานี่เจริญศรัทธาผ่านไปหนึ่งปีบ้างสองปีบ้างศรัทธาของเขาก็ แก่กล้าขึ้นเมื่อศรัทธาแก่กล้าขึ้นพงศ์ก็แสดงทำต่อเขาก็ได้ตรัสรู้คุณธรรมแล้วไปรอบหลังอีกรอบสองรอบสามรอบสีรอบมากในที่สุดเขาก็ได้บรร ล, ลุมรรคผลนี้เรียกว่าเสด็จไปเพื่อการตรัสรู้ของผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้าแล้วเนี่ยนะซึ่งเขาจะตรัสรู้ได้เพราะอยู่ในพุทธวิสัยทีนี้ถ้ามีกลุ่มประชาชนที่ตรัสรู้จำนวนมากพงศ์จะเสด็จรีบร้อนไม่ได้ น, นะนะ ก็ค่อยๆรอนแรมไปพรามูพระพิสุสงเที่ยวจาริกไปในคามนิคมชนบท ร, ราชธานีเพื่อสงเคราะห์ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกอันนี้เป็นเหตุที่ทําให้พระพุทธเจ้าเสด็จจาริกเนี่ยนะนี่เป็นเหตุให้จาริกอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะอีกนัยยะหนึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเสด็จจาริกด้วยเหตุสี่อย่างคือเป็นการจาริกเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายเห็นพระพุทธเจ้าจะได้นับถือพระองค์ว่าเป็น สารณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้านับถือพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่กำจัดภัยเนี่ยนะพระองค์เป็นที่พึ่งพิงเป็นที่อาศัยเป็นที่เคารพเป็นที่บูชามอบกายถวายชีวิตเนี่ยนะมุ่งกายวาจาจิตที่จับปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะนับถือใน พระพุทธเจ้าเพราะเมื่อพระองค์เสด็จไปเขาก็ได้นับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะนับถือพระธรรมที่พระองค์ประกาศแต่งตั้งบอกสอนเป็นสารณะถึงหมู่ผ้าเรียเจ้าทั้งหลายที่ปฏิบัติได้บรรลุมรรคผลว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งขณะเดียวกันเมื่อพระองค์ไปอย่างนี้บริษัททั้ง4ี่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเป็นต้องก็ประชุมรวมกันทุกคนก็จะเอิบอิ่มในการฟังธรรมครั้งใหญ่เพราะจะเปลี่ยนวาระบางทีพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรม แต่บริษัทหมู่ใหญ่บางทีก็พระอัครส า, าวกเป็นต้นก็แสดงธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อมีการจาริกไปอย่างนั้นเนี่ยนะก็มีผู้ที่เป็นบัณฑิตทั้งหลายก็มาช่วยกันแสดงธรรมเพานันการฟังธรรมครั้งใหญ่ก็จะมีขึ้นในมหาสมาคมใหญ่ๆเนี่ยนะคว่าเป็นการรวมตัวของประชากรจำนวนมากเลยเพื่อที่จะฟังธรรมนี่เหตุผลหนึ่ง อีกเหตุผลหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเสด็จจาริกเนี่ยนะมีอยู่ห้าประการอย่างอื่นอีกก็คือพระองค์เสด็จจาริกไปเพื่อให้เขาเจริญกุศลธรรมเพื่อเว้นจากปานาติบาตเนี่ยนะเรียกว่าทรงจาริกไปเพื่อให้เขาทําลายเจตนาในปานาติบาตไปเพื่อประหารเจตนาในการทําตานาติบาตเพราะว่าปานาติปาต า, ตาเวรมณีก็คือเจตนาในการประหารกุศลธรรมที่ประหารเจตนาใน การนาติบาตเพราะฉะนั้นไปฆ่าเจตนาเป็นเหตุให้ฆ่าสัตว์เนี่ยนะไปเพื่อสอนทําให้เขาเนี่ยฆ่าทำลายเจตนาในการลักทรัพย์พร่องก็ไปสอนให้เขาทําลายหรือเข็นฆ่าเจตนาในการประพฤติผิดในการไปเพื่อสอนทําให้เขาฆ่าทําลายเจตนาในมูสาวาทที่เจตนาเป็นเหตุให้ดื่มสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนั้นพระองค์เสด็จจาริกไปเพื่อให้เขาเนี่ยรักษาศีลเนี่ยนะเจริญกุศลเจตนาเว้นจาก การฆ่าการลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดเท็จการดื่มสุราและเมรยัยให้เขาตั้งอยู่ในภาวะแห่งความงดเว้นจากความชั่วด้วยกายด้วยวาจาซึ่งเป็นบาตรองรับที่จะเข้าให้เขาตรัสรู้ต่อไปในอนาคตหรืออีกไรหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จจาริกไปเพราะเหตุแปดอย่างเหตุแปอย่างก็คือไปเพื่อให้เขาได้ปฐมฌานแสดงว่าไปยื่นพรหมสมบัติและก็นิพพานสมบัติให้เขา นะไปยื่นอะไรกันนะไปถึงถ้าเขาได้ปฐมมชานก็เท่ากับปไปหยิบยืน่นว่าพบต่อไปชาติต่อไปเขาจะได้เกิดในพรหมมาปริสัชฌาพรหมปโรหิต า, มม า, มมตาแล้วก็มหาพรหมมาเมื่อพระองค์เสด็จไปเพื่อให้เขาได้ทุติยะชานก็เท่ากับไปส่งเสริมให้เขาได้ไปเกิดในชั้ น, นนะปริสตาภาอั ป, ปมานาภาแล้วก็อภัสราไปเพื่อให้เขาได้เจริญ อะไร ต, ะตัทยาชานให้เขาได้ ต, ตัทยาชานเพื่อไปเกิดในปริปริตตสุภา ป, ประมาณนัสุภาแล้วก็สุภกินหาไปได้จตุทชาญเพื่อให้ได้เวหัผลาหรือเขาจะมีวาสนาที่จะได้อารูปฌานที่เป็นบาทของสมถะและวิปัสนาเป็นบาทที่การจะตรัสรูม้มรรคเบื้องสูงไปต้นสรุปว่าไปเพื่อให้เขาได้อะไรมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแล น่ผ่านสมบัติคือไปช่วยสร้างเหตุให้แก่เขานั่นเองนะก็จะเป็นปัจจัยให้เขาได้รูปสมาบัติบ้างอารูปสมาบัติบ้างเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยให้เขาได้บรรลุมรรคผลต่อไปในอนาคตนี่อีกในหนึ่งอีกในหนึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเสด็จจาริกไปด้วยเหตุ8ประการอย่างอื่นก็คือไปเพื่อให้เขาบรรลุโสดาปฏิมร์โสดาปฏิพนไปเพื่อให้เขาบรรลุ สกทาคามีมักสกทาคามีผลไปเพื่อให้เข้าได้บรรลุ อ, น า, อนาคามีมักอนาคามีผลไปเพื่อเจริญอรหัตตมักทำอรหัตตผลให้แจ้งเพราะการจาริกไปก็จาริกไปเพื่อประโยชน์แก่มักผลถ้าสังเกตดูแล้วก็คือไปเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์เพื่อเพื่อกูลเพื่อสงเคราะห์เพื่ออนุเคราะห์แก่เหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายให้ดำรงมั่นอยู่ในสารณะ อ, นนะอยู่ในอะไรสารณะอยู่ในศีลเป็นต้นเนี่ยนะ กอนนับตั้งแต่หลายคนทุกขตะยากจนเข็นใจผู้ยากทรัพยากไร้ผู้ไม่สามารถจะเดินทางรอนแรมไปไหนคนไม่สบายคนแก่คนชราก็จะได้พบได้เห็นพระพุทธเจ้าได้ยกออยกมือปนมอัญชลีได้นอบน้อมได้บูชาได้ถวายทานแม้แต่ข้าวทัพพีหนึ่งอนนะัได้ถึงพระองค์เป็นสารณะได้สมาทานศีลอัเนะจริญรูปประชานลึกไปเพื่อให้เขาเหล่านั้นได้บรรลุมรรคผลนิพพานนั้นการเสด็จไปของพระองค์เนี่ย ก็เสด็จไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เราเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนั่นเองอันนั้นเป็นการจาริกของพระองค์เป็นการจาริกแบบไม่รีบร้อนเนี่ยนะการจาริกอีกในหนึ่งก็มี2 อ, อย่างคยอวันนิ้พันธะจาริกจาริกแบบมีข้อผูกผันเจาะจงเลยว่าจะต้องไปสงเคราะห์ใครเมื่อสงเคราะห์เสร็จแล้วกลับมาอีกเนี่ยนะเพราะในระหว่างนั้นระหว่างที่พระองค์จาริกไปนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าพระองค์ก็ไม่รีบจาริกแบบรีบเนี่ยนะแวะไปที่อื่นก็มีเนี่ย ว่าไปนู่นว่าไปนี่เพื่อสงเคราะห์คนนั้นสงเคราะห์คนนี้เรียกว่าแบบมีข้อผูกพันว่าจะไปช่วยใครบางทีก็ไม่มีข้อผูกพันเพราะว่าในระหว่างนั้นไม่มีใครพิเศษที่จะต้องไปสงเคราะห์เป็นกรณีพิเศษอะไรพระองค์ก็จาริกไปเรื่อยอันนี้ก็เป็นการจาริกไปโดยลำดับของพระพุทธเจ้าจากไหนจากเมืองราชคึกเดินทางจาริกรอนเร็มไปสู่เมืองสาวถีไปเพื่ออะไรไปเพื่อโปรดสัตว์ผู้ควรแก่การตรัสรู้เนี่ยนะ ไปเพื่อประโยชน์แก่การตรัสรู้แต่ถ้าไปเพื่อประโยชน์แก่การบ่มอินทรีย์เป็นต้น น, นไปเพื่อคอยสงเ ค, คราะห์อนุเคราะห์เขาพวกนี้ก็เป็นการจาริกแบบอันนี้พันธะเนี่ยนะเรียกว่าสร้างเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้เขาได้บรรลุมรรคผลต่อไปในอนาคตเนี่ยนะมันสรุปว่าเมื่อออกพรรษาผ่านไปแล้วพระพุทธเจ้าก็จาริกจากเมืองราชครกไปสู่เมืองสาวถีระหว่างการจาริกก็ด้วยเหตุผลดังกล่าวไปเนี่ยนะ เหตุผลดังกล่าวไปแล้วการจาริกแบบไม่ได้รีบร้อนอะไรเป็นการจาริกไปเพื่อสงเคราะห์เหล่าหมู่สัตรพสัตว์ทั้งหลายทีนี้อันนั้นตอนตอนไหนตอนหลังออกาพรรษาใช่ไหมหลังออกจากพรรษาแล้วเนี่ยพระองค์ก็จาริกไปเมืองสาวัตถีที่นี้จากเมืองสาวัตถีจากเมืองกบิลพัทไปเมืองสาวัตถีนี่ไม่ไกลเท่าไหร่เพราะปกติแล้วเราออกจากลุมพินีเนี่ยจากลุมพินีเนี่ยบบ่า ย, ายใช่ไหม บ่ายหน่อยถ้าไม่ค้างที่ด่านนานนะักเก็ไปถึงสาวัตถีค่ำๆว่าแสดงว่าจากเมืองกบิลพัฒน์ไปเมืองสาวัตถีนั้นไม่ไกลเท่าไหร่ถ้าเทียบกับกบิลพัฒน์ราชครึกเนี่ยนะนะถือว่าไกลมากเพราะนั้นพระปุณณมันตานีบุตรก็ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงที่ไหนถึงเมืองสาวัตถีเนี่ยนะนะก็ในหน้าสามสี่ิบแปข้อสองร้อต่อไปว่าท่านพระปุณณมันตานีบุตรได้ข่าวว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จถึงกรุงสาวัตถีประทับอยู่หน้าพระวิหารเฉตวันอารามของท่านอนาถปิณฑิกะเศรษฐีกรุงสาวัตถีครับท่านพระปุณณมันตานีบุตรก็เก็บงำเสนาสนะถือบาทและจีวรเสด็จจาริกไปโดยลำดับตามทางที่จะไปยังกรุงสาวัตถีพอไปถึงพระวิหารเฉตวันแล้วพระปุณณมันตานีบุตรก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ ประทับถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็นั่งหนะ้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งพอนั่งเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงอย่างพระปุณณนะมันตานีบุตรแสดงทําให้พระปุณณนะมันตานีบุตรเห็นแจ้งให้สมาทานให้อาถรานให้ร่าเรืองด้วยทำมีกระถานี่น ะ, ะพระปุณณนะมันตานีบทเนี่ยท่านจาริกจากเมืองกบิลพัทไปสู่เมือง สาวทีเนี่ยนะก็ไปแต่เพียงรูปเดียวเนี่ยนะไปแต่เพียงรูปเดียวไปลำพังองเดียวเพราะว่าลูกศิษย์ของท่านเนี่ยไปก่อนหน้านี้แล้วน่นไปเป็นบริวารเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่นู่นท่านก็จาริกไปแต่เพียงรูปเดียวเพราะไปรูปเดียวเนี่ยอ่าเป็นอะไรเพราะท่านเป็นผู้ที่สอนเรื่องอะไรมักน้อยสันโดษ ไม่คลุกคลีวิเวกปรารบความเพียรเป็นผู้มีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยามะทัศนะถ้าหากว่าท่านยกบริษัทยกพวกใหญ่ไปเลยจะเป็นยังไงใช่ไหมสมควรไหมกับคําสอนที่ท่านสอนออกไปดังั้นการปฏิบัติกับสิ่งที่สอนมันคนละอย่างกันเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องการจะเป็นแบบนั้นท่านท่านสอนเช่นใดท่านก็ปฏิบัติเช่นนั้นท่านจึงเป็นผู้ที่สันเซิลกายวิเวกเน่ย น, นะเดินทางจาริกไปแต่เพียง รูปเดียวเพราะไหนเพราะว่าการไปจํานวนมากไม่เป็นกายวิเวกไปจํานวนยักๆมากมากจริงๆเนี่ยมันเป็นภาระมากอีกคนหนึ่งพร้อมจะไปอีกคนหนึ่งยังไม่ไปอีกคือมันยุ่งจริงๆเลยว่างั้นเถอะคนเยอะเนี่ยนะไอ้ที่ไหนคนเยอะมันก็กระทบกระทั่งกันกระทบกระทั่งทางร่างกายบ้างเนี่ยนะกระทบหน้ากระทบหลังกระทบซ้ายกระทบขวาต่อไปมันก็กระทบวาจาคําพูดก็เน็บกันไปเน็บกันมาถากันไปถากกันมาก็กระทบถึงใจพอกระทบถึงใจก็เป็นไงก็ผูกเวรกันสิ นะพอกระทบถึงใจใจก็ผูกเวรกันเมื่อใจผูกเวรกันก็พยาบาทต่อกันและกันทีนี้ก็เรียกว่าตอนไปนี่ก็มีเมตตาต่อกันขาดเธอไม่ได้งานนี้เธอต้องไปจําเป็นมากเลยค่ะกลับมาไม่เจอหน้าเธอมันดีที่สุดแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเจอกันครั้งนั้นครั้งเดียวก็เกินพอเขาว่ากันเลิกเจอกันเลยเพราะฉะนั้นก่อนขาไปเป็นมหามิตรครั้งหลังกลับมาก็เป็นมหาศัตรูเนี่ยนะก็เลยกลายเป็นอย่างนี้ตอนแรกโอ๊ยพอใจชอบกันมากเลยนะ นะคะกลับมาก็มองหน้ากันไม่ติดมันก็เป็นอย่างนี้แหละว่าการจาริกบางทีเนี่ยไปจํานวนหมู่มากมันไม่ได้กายาวิเวกนะอีกคนหนึ่งจะอยู่อีกคนหนึ่งก็จะไปอีกคนหนึ่งจะเอานี่อีกคนหนึ่งก็จะเอานั่นพอไปได้ระดับหนึงคนนั้นลืมของนี่คนนี้จะลืมของนั่นอีกคนนั้นจะเวะโน่อนอีกคนนี้จะเวะนั่นกระถา ก, กันไปถาง ก, กันมาก็เอาแล้วกันเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละเรียกว่าโทษของการ ค, รคลุกคลีเมื่อการคลุกคลีเกิดขึ้นปัญหาลัรสนานี้นะ แล้ที่นี้มันการเดินทางด้วยกันมากถือว่ามีเวลาด้วยกันมากคุยเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะเนี่ยนะชวนกันเพอเจ้อเนี่ยนะคำว่าท่าแท็กกิเลกก็หลุดออกมากันวันแรกก็เก็บงําตะกายกันไว้ก่อนเก็บหางไว้ก่อนม้วนหางไว้ก่อนตอนหลังก็ตวัดหางมั่งแลบลิ้นบั้งสองแฉกมั่งสี่แฉกมั่งกว่ากันไปเพอเจ้อกันนู้ยตลบเนี่ยนะดีว่าน้ําลายมันระเหิดระเหยบ้างไม่งั้นเนี่ยมันท่วมแถวนั้นไปเยอะแยะเลยเนี่ยนะ การคลุกคลีกันเนี่ยมันก็ตอนหลังมันก็ขาดเมตตาขาดการุณาขาดมุทิตาต่อกันแล้วเพราะฉะนั้นการจาริกเนี่ยนะโดยเฉพาะจำนวนคนหมู่มากเนี่ยมันก็สร้างปัญหามันก็ทุกคณะทุกหมู่ทุกเหล่านั่นแหละมันก็เป็นอย่างนี้นี่แหละทีนี้พระปุณณะมันตานีบุตรเนี่ยนะท่านก็เป็นผู้ที่จาริกจาริกจากไหนจาริกจากเมืองกรบิลพัทรเพื่อไปที่เมือง สาวัถีไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ระหว่างทางท่านก็ส่งเคราะห์เหล่ามนุษย์ทั้งหลายในระหว่างทางเนี่ยนะทีนี้พอไปถึงเมืองสาวัถีแล้วเนี่ยนะก็ไปในที่ไม่ไกลเมืองสาวัถีก็ไปบินทบาตบินทบาทเสร็จท่านก็ฉันฉันเสร็จท่านก็ไปยังวัดเชตวันทีนี้ไปวัดเชตวันเนี่ยท่านไม่ต้องเข้าไปหาใครก่อนปกตินะถ้าเป็นคนที่ไม่คุ้นเคยในพุทธศาสนาจะต้องไป เออเนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นคุ้นเคยกับใครคุ้นเคยพระษารีบุตรคุ้นเคยประมุขฮัลลานะ่าคุ้นเคยคนนั้นคุ้นเคยคนนี้ก็ต้องเข้าไปหาตัวเองคนที่ตัวเองคุ้นเคยก่อนเมื่อเข้าไปหาแล้วให้คนที่คุ้นเคยนั่นแหละพาเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่พระปุณณมันตานีบุตรเนี่ยเวลาประสงค์จะเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่ต้องกราว่าไม่ต้องไปหาใครไม่ต้องอิงอาศัยใครฉันเสร็จดื่มน้ําฉันเสร็จเรียบร้อยก็นนะเก็บค่าบริขารตรงแนวเด่งไปกลางรัง พระคันธกุตีเลยเนี่ยนะประสงค์ว่าจะเข้าเฝ้าพระศาสดาเพราะฉะนั้นไม่มีกิจอื่นกับภิกษุรูปอื่นมีกิจที่จะไปบูชาพระพุทธเจ้าไปเคารพไปกราบพระพุทธเจ้าไปเพื่อฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าตอนนั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปคอยขึ้นเดี๋ยวเดียวไปหาพระราหุลก่อนไปหาพระอนนทก่อนเดี๋ยวพระพุทธเจ้าจะเปิดโอกาสเพราะพระมหาธีระปุณณมันตานีบุตรเป็นผู้สนิทสนมในพระพุทธศาสนาเสียเองเนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับอำมาตย์ผู้ใหญ่มาก เปรียบเหมือนนักรบใหญ่ผู้มีชัยชนะในสงครามของพระราชานี่นะ